ตั้งแต่เจอเธอใจก็คอยเพ้ออยากเจอทุกที่เลยไปเธอนั้นคือดวงใจหวันเพียงพบเจอเห็นเธอใกล้ใได้แต่บอกรักเธอเพียงแค่คาน <จะ S 1> เดียวเธอคือความฝันคนที่เรานั้นแอบเพ้อและเมื่อบ่อยๆแต่ทำได้เพียงแค่คอยให้เธอหันมาสดตาสักหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันเฝ้าฝันถึงภาพเธ อ, เอ เสมอแม่ตอนที่นอนหลับไหลอยากจะรู้เธอเป็นอย่างฉันบ้างไหมอยากจะรู้ใจเธอฝันถึงงานแต่งงาน โปรดเข้าใจเพราะฉันชอบเธอได้แต่อมยิม้มเก็บกลับมาคิดว่าเธอนั้นใช่ทุกอย่างคนที่ใจต้องการฉันเองคิดไปข้างเดียวทุกอย่างแต่อาจโชคดีถ้าเธอนั้นมองมาเธออยู่เสมอแม้ตอนที่นอนหลับไหล อยากจะรู้เธอเป็นหนึ่างฉันบ้างไหมอยากจะรู้ใจเธอ เธอใครมาชวนมาแลกมาหนาใครมาพบาจ้ามาไล่พบเธอบอกแบบเฉยเฉยเธอเอ่ยอยากให้รู้ใจฝันเห็นงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมือด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูนังข้างเธอ d o not y o l